และความฝันทั้งหมดไม่ว่าจะมีสาระหรือไม่มีสาระได้สอนให้เราดูอะไรบ้างซึ่งในงเมื่อศึกษาให้เข้าใจดีแล้วก็จะทําให้ชีวิตของเราเดินไปสู่แสงสว่างคนส่วนใหญ่อยู่ในความมืดและไม่ทราบว่าแสงสว่างอยู่ที่ไหนชีวิตคือการเดินทางถ้าหากเราต้องเดินทางอยู่ในที่มืดเสมอมองไม่เห็นอะไรแล้วความปลอดภัยจะเพึงมีได้อย่างไร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 แต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทฤษฎีดังที่กล่าวนี้เป็นหลักความจริงแต่ผู้ที่จะเข้าใจได้จริงๆจะต้องยอมรับว่าสภาพสิ่งแวดล้อมในโลกของโอปปะปติกะก็มีเหมือนๆกับในโลกมนุษย์และจะต้องยอมรับว่าเรื่องอภิญญาต่างๆในพุทธศาสนาเป็นความจริงต้องมีความรู้ในเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึง้งและต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยจึงจะช่วยให้เข้าใจ